ต้องอาบัตสังคาทิเศษสามพิสุใช้กายจับต้องของเนื่องด้วยกายต้องอาบัตทุนละใจสี่พิสุิใช้ของที่เนื่องด้วยกายจับต้องของเนื่องด้วยกายต้องอาบัตทุกกฎ 5. ้ิกษุใช้นิ้วจี้กันต้องอาบัตปาจิตตี เพราะยินดีการจับต้องกลายเป็นปัจจัยต้องอาบัตห้าอย่างเหล่านี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตสี่อย่างจัดเป็นวิบัตเท่าไหร่บรรดากองอาบัตเจกองจัดเข้ากองอาบัตเท่าไหร่บรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานเท่าไหร่บรรดาอธิกรสี่อย่าง เป็นอธิกรไหนบรรดาสมถะเจดอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตสีอย่างจัดเป็นวิบัตสองอย่างคือ 1. ศีลวิบัติ 2. อาจาระวิบัติบรรดากองอาบัตเ7กองจัดเข้ากองอาบัตห5กองคือ 1. กองอาบัตปาราชิก 2. กองอาบัตสังคาทิเศษสกองอาบัตทุลจัย 4. กองอาบัตปาจิตตีหกองอาบัตทุกกดบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายกับจิต มิใช่เกิดทางวาจาบรรดาอธิกรสี่อย่างเป็นอาปัตตาธิกรบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระงับด้วยสมถะสามอย่างคือ 1. สัมมุขาวินยัย 2. ปฏิญญาตกรณะ 3. สัมมุขาวินัยและตินวัถารกะละ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 ต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งรับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกกฎสองฉันต้องอาบัตปาติเทสนียะทุกทุกคำกลืนเพราะภิกษุณีออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันต้องอาบัตสองอย่างเหล่านี้ถามอาบัตเหล่านั้น บรรดาวิบัติสอย่างจัดเป็นวิบัติเท่าไรบรรดากองอาบัตเจกองจัดเข้ากองอาบัตเท่าไรบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานเท่าไรบรรดาอธิกร4สอย่างจัดเป็นอธิกรอะไรบรรดาสมถฏฐเจอย่างระงับด้วยสมถฏเท่าไหร่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 ปัจจยวาระจบโสรสะมหาวาระในภิกขุนีวิพังจบ